ขึ้นฟังค้ารายการสัมสนาสนทนาค่ะเช้าตรู่เราใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับรายการนี้มีพระภิกษุสองรูปนะคะผ่านไปสำหรับรูปแรกคือพระภิกษุจากวัดนาป่าพง์พระมาชาคาวโรต่อไปก็จะเป็นพระภิกษุจากอุดรธานีนะคะพระเพรบุ์อภิปุนโนวัดป่าดอนหายโศในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะค่ะน้อมสักการทั้งคะ่ะเจริญพ เมื่อวานได้พูดไปถึงเรื่องเว็บไซต์ของท่านดิฉันเลยเปิดดูต่อไปเนี่ยมีหลายเรื่องจริงๆนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนที่ถนัดในการเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่านคือบางคนเนี่ยจะไม่ถนัดอ่านละอืชอบฟังก็แล้วแต่ว่าอ่ความพร้อมของร่างกายแล้วก็ความชอบอคนอายุมากๆเนี่ยจะไม่ชอบอ่านแล้วค่ะ <laughs> ถ้าอ่านก็ต้องให้แบบว่าตัวเป็นแม่ไก่ะ <laughs> เลยคะทีนี้ถ้าคนชอบแบบเรียนหนังสือเนี่ยฉันว่าจะเหมาะกับสิ่งที่ท่านทนําเพนแคสตมมากเพราะกับเรายัางอยู่ในมหาวิทยาลัย อ, อยู่เลยจะต้องจดเลคเชอร์ในลักษณะเนี้ยออคับทีนีเ้เมื่อตอนที่แล้วใช่ไหมคะเรียนผ่านได้พูดไปถึงเรื่องของสติปัฏฐานสี่กได้กราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ปฏิบัติธรรม รู้ลมหายใจอะไรเนี่ยแต่เราไปดูเวทนาเลยได้ไหมและท่านก็บอกว่าได้ใช่ไหมใช่จริงๆแล้วการที่เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยก็คือเป็นเวทนานะเป็นเวทนาแล้วอ่าคือหมายความว่าสังเกตลมหายใจเนี่ยกุณดูอะไรล่ะเราก็จะต้องมารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจใช่ไหมปุโรหิตบอกว่าการทําในใจอย่างดีถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละ เป็นเวทนาอย่างหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลายเพราะเวลาที่ลมหายใจมันสัมผัสกับในของกับตัวของเราอย่างเงี้ยมันจะสัมผัสในโพรงจมูกใช่ไหมเมื่อมีสัมผัสตรงนี้คือผัสสะมีผัสสะก็จะต้องมีเวทนาเวทนาตรงนี้แหละคือเวนทเวนาที่เกิดขึ้นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราทำในใจอย่างดีนะเราจะพบว่าอ๋อมันมีเวทนาเนาะอ่านี่แหละคือเวทนานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานคือการใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งให้จิตของเรามีสติเกิดขึ้นได้ ดูเหมือนกับว่ามันก็เป็น two in o เข้าไปนะคะหรือจะเป็น f in o เลยร <Four S 1> หรือเปล่า f in o เลยตั้งกายเวทนาจิตตามอยู่ในนี้เอาหมายถึงสติประฐานสี่จะเป็นเป็นในลักษณะเดียวกับอริยมรรคมีองค์แปดที่ว่าอาจจะเป็นทางแปดทางแต่ว่าเป็นอันเดียวกันอย่างนั้นหเปล่าถูกต้องพุะรูปรชาเคยเปรียบเหมือนกับสีแยกแต่ีแยกถ้าผมว่าคุณมาจากทางเหนือใต้ออกตกเนี่ยมันจะมารวมกันที่ตรงกลางนะตรงกลางนี่แหละคือสติ เนื้อใต้ออกตกเนี่ยเป็นทางที่มากายวิทนาจิตธรรมคือฐานที่ตั้งใช่ถูกไหมคะและดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านเทบูลพูดอย่างนี้แล้วดิฉันคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์คือเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสี่อยู่มากเลยบ่อยๆทีนี้ค่ะพอมันมีจำนวนนับใช่ไ้มคะหนึ่งสองสามสี่เราก็เลยมักจะเข้าใจว่า จากหนึ่งแล้วต้องไปสองเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงเป็นตัวเลขจำนวนนับอย่างเดียวแต่บางครั้งบ่อยครั้งด้วยมันเป็นลำดับขั้นเนี่ยค่ะจึงคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะพอได้มั้งคะเวลาที่มีทั้งหมดอยู่สิบกว่านาที<ด>ที่จะให้เข้าใจสติปฐานสี่งั้นนี่มน์ท่านเต็มที่เลยค่ะว่าจริงๆแล้วสติปฐานเนี่ยปฐานตรงนี้ก็คือฐานที่ตั้งให้จิตของเร<แ>ามีสติ ในปริชาก็จะอธิบายถ um ึง4อย่างที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมีสติขึ้นมาได้เป็นฐานที่ตั <wow. S 2> ้งที่ทําให้เกิดสติขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณจะใช้อะไรก็ได้คุณจะใช้กายก็ได้ใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตก็ได้ใช้ธรรมก็ได้ที่ต้องการคือสติเพราะว่าสติเนี่ยจะเป็นที่ล่นไปสู่วิมุตติเราต้องการตัวนี้เพราะาคุณจะใช้กายทํายังไงอ่ะเอาก็สังเกตลมหายใจก็ได้ใช้เวทนาทำยังไงอ่ะก็สังเกตลมหายใจนั่นแหละเราแล้วใช้จิตล่ะก็สังเกตลมหายใจนันนละะัั้้สทมกก็งเตายใจดว นะอาณาปนานสติเนี่ยผู้เช่าจึงบอกว่าเป็นธรรมอันเอกที่เมื่อทําให้มากแล้วจเจริญให้มากแล้วเนี่ยทำทั้ง4ี่ก็จะปรากฏขึ้นมาทําทั้งสี่นี่คื อ, อสติปัฏฐานสี่ mm hmm. จริ ง, รงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือหนึเดียวคือสตนะิสติเนี่ยคือเป็นธรรมอันเอกนะที่ผู้เช่าบอกว่า mm hmm. เอาก า, เ, อ า, กาเป็นทางทางเดียวนะที่จะไปสู่บิดมุดได้คือสตินันเอง mm hmm. แล้วในสติปัฏฐาน4ี่นี้เนี่ย หลายๆคนจะไปมีความเข้าใจว่าฉันต้องระดับที่หนึ่งก่อนกายต้องเป็นพื้นนะเดี๋ยวไปต่อเวทนามันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือมันจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ไงมันมีความหลากหลายในตรงนี้ค่ะท่านพี่บุญค่ะดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าวันเนี้ยเราพูดถึงเรื่องอาณาปานาสติอีกอย่างหนึ่งแล้วน่าจะเป็นคําใหญ่ด้วยอืมที่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอาณาปานาสติเป็นธรรมอันเอก เมื่อทําให้มากแล้วยังไงนะค ะ, จะเจริญให้มากแล้วจะทำธรรมะทั้งสี่ให้เกิดขึ้นได้จเจริญให้มากแล้ว <ทำ S 2> จะทําธรรมะทั้งสี่ใช่ธรรมะทั้งสี่นี่ก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่ค่ะเพราะว่าลมหายใจเองนะถ้าเรามาดูที่ตัวลมเองนะตัวลมเนี่ยที่เป็นออกซิเจนไนโตรเจนอยู่ในเนี้ยเป็นโมเลกุลเข้าออกตรงเนี้ยตรงนี้คือกายแํานเะพราะอะไรเพราะเป็นธาตุลมใช่ไหม ถ้าเรามาดูที่ตัวลมเองน ะ, ะแต่ถ้า น, นี้เกิดจะเป็นกายใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้จิตของเรามีสติแต่ถ้าคุณมาดูที่สัมผัสระหว่างผิวหนังของเราในโพรงจมูกกับตัวลมนะสัมผัสตรงนี้คือสัมผัสคือผัสสะใช่ไหมแล้วมันจะเกิดเวทนาเวทนาตรงนี้แหละจะเป็นฐานที่ตั้งให้สติเกิดขึ้นได้เข้าใจไหมอันนี้เป็นสันที่สองน ะ, ะแต่ถ้าเรา มาดูองค์ประกอบที่3คือเวลาทีส่สัมผัสเกิดขึ้นเนี่ยคือลมกระทบกับผิวผิวหนังในโพรงจมูกใช่ไหมอะไรเข้าไปรับรู้จิตเข้าไปรับรู้ถ้าเรามาดูตัวที่เข้าไปรับรู้ตัวนี้แล้วสติเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นจิตตาณุ ป, ปัสสนสติปัฏฐานอ่าอย่างที่3ามล้คือมุมที่3นี่คือมุมมองจากผู้ที่เข้าไปสังเกตคือจิตนั่นเองค่ะนะแล้วถ้าเผื่อว่าเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางไกลเห็นความดับไปของสิ่งที่มากระทบ นะไม่ว่าจะเป็นตัวลมเองไม่ว่าจะเป็นภัสสะ ท, ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวจิตที่เดี๋ยวไปรู้นั่นเดี๋ยวมารู้นี่อันนี้ก็ชื่อว่ามีธรรมานุปัสสนสติปาาัฏฐานครบสี่เลยสี่เลยจึงเป็นเครื่องตอบว่าที่พระพุ ท, ทธโธตรัสไว้ว่าอาณาปานาสติเป็นธรรมานเอ่าเจริญถ้าจเจริญทําให้มากแล้วจ ะ, จะทําให้ธรรมะทั้งสี่เกิดขึ้นได้ได้ใช่ทีนี้มันมันสิ่งที่เราต้องการคือสติไง <C> e <an> ทีนี้พอเราพูดตรงตรงนี้แล้วเนี่ยความละเอียดอาจจะไม่เท่ากันใช่ค <C> e <an> ่ะออย่างถ้าพูดถึงกายกับเวทนาเวทนาก็ละเอียดกว่าถ้าพูดถึงเวทนากับจิตจิตก็ละเอียดกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าจริงที่เราต้องการคือสี่นะอ <C> e <an> คือถ้าใครทําแบบที่ละเอียดน้อยกว่าแต่ได้สตินี่ก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะท่านคะทีนี้จากประสบการณ์เมื่อเรานั่งสมาธิเจริญอาณาปณะสติเนี่ย ก็พอมันนิ่งๆก็ไม่รู้จะทำอะไรคือในความที่มีมีข้อสงสัยกับตัวเองแล้ ว, ลวเราจะทำยังไงจริงๆนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะก็คือ เ, ออเราทำอยู่แล้ว <นะ S 2> แลวเดี๋ยวฉันจะกล่าว<ม>เรียนท่านต่ อ, อ, อว่าเราก็เลยเออตอนนี้เรากาลังเจริญสติปัฏฐาน <c oughs> ในเรื่อง อ, อกายญานุปัสสนาอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวสักพักก็อันนี้ก็เป็นเวทนาด้วยนะ ออ่าในส่วนจิตก็ยังพอโอเคแต่พอมาถึงธรรมอะคะ่ะท่านคะพี่ว่าจะเห็นความอะไรล่ะ อ, อันนี้จังนะครความไม่เทีย่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นลําบากเนี่ยไม่ทราบว่ามันผิดถูกยังไงคะคือที่ผิดกับที่ถูกเป็นอย่างนี้ที่ผิดเนี่ยคือถ้าเราพกตําราเข้าไปในเวลานั่งสมาธิด้วยเราจะผิดอ๋นะอค่ะคือถ้าเราการตําลาไปด้วยทําไปด้วยเนี่ยมันจะมันจะงงอ่ะแต่มาก็ทําไม่ได้เราจะงง คือเราจะไม่ได้มาต้องสงสัยว่าเอ๊ะเรานั่งหลับตาครั้งนี้ตรงนี้เป็นเมตนาหรืออย่างหรือตรงนี้เป็นธรรมะอะไรต่างๆเราไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเลยะนะเพราะว่าจิตเราเนี่ยจะมีความฟุง้งซ่านําคัญใจแลมันจะไปคิดเรื่องตําราแล้วก็จะไปคิดเรื่องจิตว่ามันจะมึนไปหมดแล้วก็จะติดจิตตั้งมั่นไม่ได้แต่เราให้เราอยู่จุดเดียวนั่นะคืออยู่กับเฉพาะหน้านั่นแหละนะแล้วก็ให้ทำํำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับอย่าเอาตำราเข้าไปแล้วก็เห็นอะไรที่มัน เปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละคือความไม่เที่ยงแล้วค่ ะ, ะงั้นก็เท่ากับว่าเมื่อนั่งสมาธิไปเรื่อยๆขอให้รู้ว่าความเจริญก้าวหน้ามันเกิดขึ้นกับการที่เราอยู่กับมีสติที่เป็นสมาธิอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งใช่แล้วความเจริญก้าวหน้าตรงนี้ก็คื อ, อสมาธิที่มีใช่ไ้มถ้าในเวลาปกติเราสามารถทําได้ลึกทําได้ยาวนานมากขึ้นไหมอ่านี้คือคุณก้าวหน้าขึ้นล่ะค่ะเอะ หรือถ้ามันจะไปทําต่างๆจะไปปรากฏในนั้นมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องถ้ำต่างๆเนี่ยมันจะมาปรากฏตอนที่มีอะไรมากระทบอ่าเวลาที่มีอะไรมากระทบเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงของเขาไม่เห็นความดับไปของเขาไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะต่อให้เราอยู่นิ่งๆตรงนั้นเนี่ยนะก็มีสิ่งกระทบอยู่แล้วนะค่ ะ, ะแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นมันละเอียดมากก็ค่อยๆทําไปแล้วกันใช่ค่ะที่ต้องกลับเรียนถามท่านเนี่ยฉันเชื่อนะคะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องการผลนะคะ ทีนี้เหมือนกับพอเรามีตาราเราก็รู้ทฤษฎีว่าจะไปอย่างไรเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันใช่หรือยังใช่หรือยังเราจะพาตัวเองไปได้ไหมอย่างเงี้ยนะค ะ, ะ, ะวันนี้เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มีประสบการณ์คล้ายกันก็น่าที่จะเข้าใจมากขึ้นว่าเราอย่าพกตาราเข้าไปท่านอธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับว่าไม่ให้พกตาราเข้าไปแต่ว่าให้สร้างเหตุอย่างนั้นถูกไหมคะ ใช่คือหมายความว่าเราทําให้ถูกนั้นเองแต่ถ้าเรายังคิดหน้าคิดหลังอยู่กังวลอยู่อันนั้นจะเป็นนิวรณอคือพยายามทําจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ให้นานที่สุดให้ลึกลงไปเรื่อยๆใช่ตามความก้าวหน้าอที่เป็นปกติแล้วอพูดถึงทำทั้งหลายที่ปรากฏเนี่ยให้เราเห็นเนี่ยก็คือให้เขาเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วไปเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะอืมคือเห็นกับคือเห็นหมายถึงรู้เนี่ยนะกับจําได้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอีกนะ คือหมายความว่าถ้าคุณอ่านหนังสือมาคุณจําได้เฉยๆแต่คุณยังไม่รู้อเนจสัตว์สอย่างเงี้ยคเราอาจจะท่องได้คําพูดทุกข์ได้ท่องอเขาเรียกว่าธรรมจักกับปปัตตานาสูตรได้นะอาการบรรลุปเป็นยังไงท่องได้แต่คือจําได้เฉยๆแต่ไม่รู้ครับไม่รู้ตามที่เป็นจริงในจิตจริงๆค่ะคําว่าใจเย็นใจร้อนเนี่ยอืมท่านมีระยะเวลาไหมคะว่ามันควรจะใช้เวลาไม่เกินเท่าเนี้ยอก็เอาที่พุทธชาตรัสไว้ถ้าคุณทําถูกนะ ไม่เกินเจ็ดปีอ๋ออุ๊ยเจ็ปีอย่าพูดๆเลยคุณโยมตี๋โอ้หกปีก็พอหกปีก็อย่าพูดแล้วเอห้าปี่ะเอาอเจ็ดเดือนก็แล้วกันเอาแตนะพระพุทธเจ้าเขจะลดลงมาเรื่อยๆเลยเหลือเจ็ดวันนะเหลือหนึ่งวันพูดตอนเช้าได้ตอนเย็นก็มีพูดเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีแตนะถ้าคุณทําถูกนะค่ ะ, ะทำถูกในที่เนี้หมายถึงยังไงคือตอนนั้นอาตมาก็มีประสบการณ์ตรงเราเนี่ยพยายามจะโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยน ตทรศัพทสมมอติอก็ต้องมีศูนย์ปดใช่ไหมค่ะอ่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ทราบข้อมูลนี้เราก็ไปกดอยู่นั่นแหละศูนย์เจ็ดเลขเก้าตัวน ะ, ะเอ๊ะทําไมไม่ได้สัทีทำไมไม่ได้สทัทไมไมีเฮ้ยเราพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้โอ้เราทําผิดนี่คื อ, อเราทําผิดเราทําไม่ถูกไงค่แต่พอเราใส่แปดเข้าไปตรงกลางหลังจากศูนย์ตรงนั้นเท่าน่ะพังเลยต่อโทรได้เลยไม่มีปัญหาครั้งเดียวติดอ่คะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําถูกอย่างที่บูชาบอกเนี่ยไม่เกินเจดปีค่ะอะ แต่คำว่าไม่เกินเจ็ปีมันอาจจะปรากฏในทันใดเลยก็ได้ใช่ถ้าคุณทำถูกนะค่ะคือถ้าทำถูกในแม็กซิมัมไม่เกินเจปีใช่คอยได้ไหมคะเอาเดจฉันกำลังพูดกับท่านผู้ฟังว่าอย่างแย่ที่สุดมันก็ไม่นานเกินไปเราดูสิคะว่าปีใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราใช้เวลากับการฝึกปฏิบัต หรือลงมือปฏิบัติเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราสูญเสียอย่างอื่นไปด้วยไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยเป็นสิ่งเดียวนะคุณโยมติวที่ว่าธรรมะเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยคุณ ข, าขวณขายประโยชน์ของตัวคุณขวายประโยชน์ของตัวคุณเห็นแค่ตัวนี่แต่ว่าธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นไงเมื่อไหร่จิตดวงไหนดวงหนึ่งมีธรรมะเกิดขึ้นเนี่ยคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราก็จะอดทนกับเขานะเราก็จะมีเมตตาจิตกับเขาเราจะรักใคร่เอ็นดูเขาเราจะไม่เบียดเบียนเขานะคนอื่นจะได้ประโยชน์จากเราตรงนี้ นี่ก็เป็นสิ่งที่ลองพิจารณาดูก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าพูดให้กับผู้ที่ได้มีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติแล้วอืมนะคะส่วนคนที่ยังไม่ตัดสินใจปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเราไปพูดกับเขาเขาก็อาจจะทำหน้างงงงเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ดีแล้วเขาก็เป็นคนที่เราอยากจะให้ในสิ่งที่ดีกับเขาด้วยอื ม, อม ทำยังไงดีอะคะท่านเออคือเราบางทีเราต้องทําความเข้าใจก่อนเรื่องของรูปแบบในการปฏิบัติไงว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับรูปแบบนะคุณไม่จําเป็นต้องไปวัดหรือคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งสมาธิอะไรต่างเอาแค่ว่าถ้าคุณอยู่บ้านกับภรรยาสามีหรือลูกเต้าอย่างเงี้ยคุณไม่ด่ากันไม่ว่ากันนะคุณพูดดีๆให้กันแค่นี้ถือว่าครอบครัวคุณมีธรรมะแล้วนะคุณมีเงินคุณรู้จักเก็บคุณรู้จักใช้คุณรู้จักรักษาคุณรู้จักแบ่งปันให้ถูกต้อง อันนี้กูเชื่อว่าคุณมีธรรมะแล้วนะอ่าไม่ได้ว่าจําเป็นต้องมานั่งหลับตาดูหนังตาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่ในห้องพระไปคโุกอยู่ที่ไหนมันไม่จําเป็นอย่างนั้นออแล้วพอเราทําความเข้าใจเรื่องรูปแบบการปฏิบัติธรรมหรือว่าเรื่องของการดํารงชีวิตด้วยธรรมะอยู่ในใจเนี่ยแล้วเราสามารถดึงเข้ามาในเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านี้ได้ค่ ะ, ะงั้นก็เท่ากับว่าเพลิเนลิคนที่เราปรารถนาดีเขาเนี่ ย, เ ข, เ, ยเขาอาจจะปฏิบัติธรรม อยู่แล้วในลักษณะหนึ่งใช่อย่างที่ท่านพิบูลพูดก็ได้นะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันวันนี้ได้ประโยชน์มากค่ะท่านพิบูลคะนะคะก็นมันส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเรียนพานค่ะเราเริ่มต้นกันที่สติปฐาน4เราจึงได้รู้ว่าธรรมะแวดล้อมและดูเป็นเรื่องเดียวกันไปเชื่ทั้งหมดเนี่ยปรากฏอยู่อาณาปานาสตินะค ะ, จะเจริญแล้วจเจริญทําให้มากแล้วจะทําให้ธรรมะทั้ง4ี่คือสติปฐาน4ี่เนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็ได้ในสิ่งที่ เป็นผลหลักก็คือได้สตินะคะแล้วก็ได้วิธีที่ว่าให้ท่านรู้ว่าอย่าเอาตําราเข้าไปใช้แต่ให้ปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าทำถูกวิธีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่เกินเจ็ดปีแต่ถ้าคิดว่ามันยาวนานไปท่านก็ได้พูดถึงระยะเวลาที่มันสั้นลงสั้นลงได้อยู่ด้วยเหมือนกันทำให้ถูกบางคนอิ่มซีบารมีดีไม่นานก็สามารถที่จะ ประสบผลสำเร็จขั้นสูงนั้นได้นะคะวันนี้เราก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสบอกความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างนี้กับท่านแล้วก็เป็นความรู้ของพระพุทธองค์นะคะที่ปีนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาครบ 2,600 ปีแล้วรายการของเราค่ะปีห้าถึงปีห้าครึ่งทุกอย่างที่ท่านนำออกไปปฏิบัติการันตีได้นะคะทำตามคำสอนสาศาสดาชีวิตจะพบกับความสวัสดีพุทธวัดสวัสดีค่ะ